ของเราม่ใช่แคุ่ดความนทนความหนาวอันนั้นก็ดีอยู่แต่ว่าลองให้มีสติเยอ้เ้าทันทุกโคโรนาจี่เกิดขึ้นบางครั้งเราอาจจะใช้วิธี ยึ่งอยู่กับลมหายใจจนกระทัง่งจิตไม่รับรู้ความหนาวอันนั้นก็อยู่แต่ว่าลองเปิดใจรับรู้ความหนาวหรือว่ารับรู้ทุกเรทนาแต่ว่ารู้เฉย รู้ที่จะอยู่กับทุกขเวทนาได้โดยที่ไม่หลบไม่หนีแต่ว่าเป็นเพียงแค่ผู้เห็นทุกขเวทนานั้นการเรงที่อยู่กับทุกขเวธนาโดยที่ไม่เข้าไปในทุกขเวทนานั้นเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะในยามที่เราต้องเผชิญกับ ค, าคาวามเจ็บความปวด มันก็ยังต้องมีความเจ็บความปวดหรือทุกขเวทนานเข้ามาจะเข้ามาแบบรบกวนหรือจะเข้ามาแบบไม่รบกวนนั้นก็ขึ้นอยู่กับใจเรามันก็ ม, ม, นมีสติรู้เห็นทุกขเวทน า, น, า น, นั้นรู้เฉยๆนะสติก็ช่วยทำให้เราไม่เข้าไปเป็นผู้ทุกขแต่ถ้าเราไม่รู้ เหมือน็จะกระเพืตก็จ เ, เ, เป็นเป็นพูดหนาวจะเป็นพืดทุกให้ความหนาวเป็นให้ความหนาวปิดกับกายของเราแต่ว่าใจเราไม่หนาวไม่ทุกแต่ที่มามทุกมีไม่ใช่เพราะว่าหลบจากความหนาวไม่ใช่พราะอ้เพ่องอยู่กับลมหายใจ จนไม่รับด้วความหนาวแต่ว่าที่มาทุกก็เพราะว่ามีสตริรู้และเห็นโดยไม่เข้าไปตปึงหรือไม่เข้าไปจมในความหนาวนะั้นก็ไม่เป็นไมผมปูนทุกข์ลองใช้วิจิอยู่บ้าง ก็ว่าเรามีสมาี่อยู่กับลหายใจก็อย่กเข้าไปไปเพ่งเนื้อกับลมหายใจนั้นจนกระทั่งไม่รับรู้ความหนาวก็ลองไปรับรู้ความหนาวดูบ้างเห็นทุกข์เขึ้ธนาที่เกิดขึ้นกับการแต่ว่าไม่เข้าไปตึงที่ใจ ทุกู้หนาวก็มาเป็นแงก็คอยเห็นว่าใจกำลังใจเป็นมานนแล้ว ก็ม่รู้จากวิธีการออกจากทุกข์เพราะฉะนั้นการการเจอทุกข์ก็เป็นของดีเพราเป็นโอกาสให้เราฝึกให้เรารูวิธีออกจากทุกข์ได้ถ้าเราไม่ทุกข์เสียเลยเราก็ไม่รู้วิธีออกจากทุกข์และถ้าเราไม่รู้วิธีออกจากทุกข์แม้แต่ทุกข์เล็กน้อยเมื่อเจอทุกข์ใหญ่ๆเราก็ก็ต้องสยบต้องสิโลลาต้องถูกมันครอบงำจนตัวทั่ง แตเราไม่ได้ น, นั่นก็เป็นการเสียอกาสก็ขอให้เราได้ลองภารนาด้วยการมีสติรู้ทุกขภรวนาบ้ า, น า, างนอกจากการที่ไปมีสมาธิกับลมหายใจ เรื่องการทุบการการทุบตเรื่องทุบหรือรปปการทุบมือก็เป็นุนอาลิบาสข้อแรกอาลิบาสมีสีตะตานอย่องที่เราทรากันกดีอาลิบาสข้อแรกจะเรื่องรุ ที่นี่สิงที่เราต้องเกี่ข้งก็คือการยุดจับยุบจับเขายุดตับทกการรื้อไ็รื้้หลายแง่แต่แง่นี้คือเรื่อที่มันเกิดจากไรความสุหรือคามทุกขนี่ก็เมือระับเสียงกับมือนะเสียงกับมือคือ กือว่าต้องอมีปกมีทั้งสองข้างตบข้างเดียวไม่ดังต้องสองข้างสองข้างนี่ก็หมายถึงอะไรหมายถึงตัดใจภายน้าแล้วก็ปัดใจภายในกรณีเกษตรปฏิบัติธรรมต้องอาศัยตัดใจาอแล้วปปใจภายในประกอบกันเมื่ามือสองข้างับกันถึ ง, งจะดังข้างเดียวไม่ดัง ข้าไหนสุทุกข์เกิดจากปัจจัยใช้หน้าปัจจัยไหนก็หมายความว่าปัจจาร้ารคือต้องมีสิ่ปบางสิ่งเกิดขึ้นกับเราแล้วใจเร า, าเนี่ยจะเกิดขึ้นกับมนันยังไงเช่นอาหารที่เป็นอย่างไรมือแม่ครัวทอดเคก็เป็นทบดตุ้มสีมือ ก็ ต, อตอก้องจอกำลังโยนลังน้องหรือว่ากำลังคิดจร้มซ่างนี่คืออาหารม น, นั้นก็คงไม่รู้สึกอร่อยเพราะ่าใจไม่ได้รับรสรสชาติใจไม่เอื้อที่จะไปเสพรสอร่อของอาหารนม่นั้น เที่เพราะตรนเดิมเเป็นเจที่เก่นระดับโลกแต่ถ้าใจเราเป็นคนใจเรลังเพิ่งสูงต้องอะไก็เลยเพไม่เ ก, เกิดความสุขตากการฟังคพลงได้เราต้อตงข้ามเพราว่าอาหารจะไม่อร่อยหรือว่ามีราคา ป, ปูก เราทต่เปิ้ใจเรากำลังมีความสุดกำลังมีกวามตื่นเะต้นกินก็อร่อยคนที่กำลังมีความหวานชื่นกินอะไรก็อร่อยทั้งนั้นเพราะว่าขาวหมายตามมนขามของที่คมกะกลายเป็นหวานไปได้อันนี้พอาอะไรไม่ใช่เพราะรสนิยม อ, อ, อาหารแต่พใจของเรา ความเฉลี่ยทุกเนี่ยมันต้องอาศัยประกอบสออย่างคือป so e ja. e. ัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในปัจจัยใดก็คือจของเราเราเลืกกับสิ่งนั้นอย่างไรเพื่อไปเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดจากการที่มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราทุกข์ก็เกิดขึ้นจากการที่สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเสิ่งดีเกิดขึ้นกับเราก็เช่นมีงินมีทองมีเคสย แต่ถึงแม้มีเงินได้เงินมาแต่ว่าเราอยากได้มากก่ น, นั้นมันจะกลายป็ุพกไม่ใช่สุดมีมชาวบ้านที่วันนี้เขาไปแทงหวย15บาทแล้วก็โอนขึ้นมาได้600เอ้อยคุณก็จะมีความตกใจ แต่พอไปรู้ว huh? ่าเพื <before> <ız> ่อนเขาทำเดียวเดียวกันแตได้สองพันไม่ไปินก็กายเป็นไปเลยแม้แต่ตเองกตง่ายกว่าทั้งแม่ก่อนนี้รือว่าลูกเขาอิจฉ่อนที่เขาได้มากเนมดมา้าวางก็กเป็นุกอาจจะ่วกับาโช นสิ่งที่ดีเกดข้นบไม่่เป็นลกฐาามีความสต่ด้วยเราประวัติใจหรือรู้สึับสิ่งนั้นอย่างไรแลความจริงเรามันท่หนึ่งก็อาจจะกลายเป็นทุกขได้แต่วจะเก่ยวข้งนม่เ็นเช่นาช้อนหนึ่งก้อนันเป็นทางที่ไม่ถูกต้องงินมาก็เพื่อสนิทสนานม่เป็นอันทางานกาเป็นโลกเวลาเื่อลัง หรือว่าเลี่ยะบา้งกันคนเพราะว่าถึงว่าฉันรอยแล้วฉันไม่สนใจเพื่อนแล้วเพื่อนมีความหมายแล้วก็อการับหมาที่จะมีคู่คงตะเกยดจับทะลาะกันเมื่อสักสิบห้าปที่แล้วก็มีคนนึงเขาตะโกนรัตตุลีตกสล ได้นประมาณ 3,000 ล้านบาทเศรษฐกเป็นหนึ่งไทยก็มีความเป็นทเกิดให้เหมียในทีแรกแต่ว่าผ่านไป5ปีเขาบอ ก, ก, กว่ารัเอฟตัว น, นี้ก็อยากกันลูกชายก็เป็นโลคสึลายร้ลังก็ตายภรรยาก็ก็ตายเหมือนกันเราคิดหาที่ดับเดียวอันนี้ก็ก็เป็นข่าว เรไปส่องไปที่หลายแบบหลายแบบนี้มันก็เป็นการเยอะๆมีอยู่มากมายดังนี้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันจะทำให้เราสึกหลอที่มันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไม่สเพีเพรวมันเป็นของดีอย่างเดียวเป็นของดีแต่เกี่ยวข้องไม่เต็หรือตายแล้วไม่ไปเอื้อไม่ไปรองรัก็กลายเป็นทุกขได้มนเกี่ยวข้องกับมันเตก็กลายเป็นปัญหาได้ในทางตรงข้า แม่าเราจะเจอสิ่งที่ไม่ดีฉันอาจจะเกิดความภาคนาเสือมีความตกควาเปกิดขึ้นจะถ้าเราเกี่ต้องกับสิ่ น, นั้นอย่างถูกต้ง อ, ตองหรือด้วยกำลังใทุกเต็มก็กลายเป็นคนบ้านเหมือนกันก็กลายเป็นสิบด้านเหมือนกัน เขาก็อาสายความทุกนั่นแหละอาศัความตความเน่แหละเป็นขึ้นกระตุ้นไ้ได้ขอาธรรมะเป็มขึ้กระทุกทัดศึกศึกษารอดด้วตั กรางพความหมายของชีวิตว่าไม่ได้อยู่ที่การมีทรัพย์สมบัติชื่อเสียงชีวิากากต้องเปลี่ยนไปจากที่เราเพิ่เพาะชีวิตไม่เป็นไปตามใจก่อนจะเกิดและยิ่งเกตามเปล่าถ้าแปลว่าคุณละตัดทิ้ซ้ำข้าไปแต่ว่าพอ วางาจได้ดถูกต้องเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าเห็นความหมายของชีวิตช่วยก็กลับมีความสุขมากขึ้นหลายคนก็บอกว่ามีความสุขยิ่งกว่าตอนที่มาป่วยอีกแล้วเขาก็บอกขอบคุณความชิดขอบคุณความสดความเปลี่ยน ามันเป็นโรคัใก็โรคัวใจอายุรัสิบกวเป็นซีเอชดีื่นแ้าเป็นโรควก็เป็นช่วงเดีกับผู้ช่วงนันแหละที่เขาากเป็นพยาถาเปคหัวใจก็พยายามติดยารักษาเตียงกิอาหารให้จุดตั้งออกกำลังกาย ว่าก็ไม่ดีทุ่เมื <c> ่ <oughs> แล้วก็แปลใจแลวก็ไม่สบายใจแต่แล้วก็เลยกำลังค้นคลายนตคัี น, คนี้เรื่องนี้ก็เพราะว่าปลกใจในที่ทำให้เป็นโลนกลแล้วตายได้ก็คือการ ม, มีชีวิตที่ทเดียวห่างว่างนะติดตัวไม่คุ้คล้าสมาคุาค้ใครซึ่งก็เป็นกับนิสัยของเขา มือพลยายก็อยากกันความแต่งานตาไม่เกี่ยวข้องกับใครมากเท่าไหร่เขาก็เล ย, เลยมึบความปวดตายก็เลเปลี่ยนเขีนดีวิตเพรา่าในรยา น, นการวิานเขาบอกว่าคนที่มีชิตแบบนั้นนยแบบเดเดือดอั้งร้า ง, างยอยู่อู่ดก็เมื่อก่อนที่าร้องอึ้ สี่มากกว่าปกติเขาก็เลยพายปรับเปลี่ยนชีวิเพื่อออกไปสังคมมากขึ้นไปทางานช่วเหลือสังคมเป็น ส, สมาชิและพบค่าสมคคคนนาคมทีมากขึ้นเพื่อเปิดใค้าหาทีนน่สูงมากขึ้นกเราะว่าช่วยเดือขึ้นไม่ช่วยเดขึ้นท า, างกายเดือดไมช่วยขภาพเดือวแต่ว่าจิต้จก็ดีขึ้นด้วยมีความสึกมากกว่าเดิม เขก็เลยบอกว่ากองไปเลิตใจนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่า ง, างที่เกิดขึ้นกับเขาอันนี้ก็ก็เป็นเตืองชี้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันจะดีหรือไม่ก็ตามเนี่ยมันมันอยากจว่า เราไปเกี่ยวข้องกับมนันในหลายด้วยถ้าเราเกี่ยวข้องต้นมว่าจะเป็นโรคแพ้ก็เกิดเกิดขึ้นกับเราแต่ว่าคุณภาพที่เราต้องปบับ้างคุณภาพและความสดก็จะเกิดขึ้นกับเราบ้างเหมือนกันดัง น, น, นี้เราต้องเราถ้าเราเขาจตรงนี้เนีหยราจะเรียนรู้ที่จ หาทางเกี่ยวข้องกับสิ่งต่งางๆที่เป็นที่ถูกต้องเราจะมีหลังตัวเรื่องอสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรานั้นมันแยมันไม่ดีตาราตาพัาการเสงเสียโรคไทไตเจมันไม่ใช่เป็นเป็นสิ่งที่จะรีวิวษาว่าเราจะต้องเป็นทุก ตาแขมากต่แข็งห น, า, หนาที่สำคนนัญมากนั่นก็คือติดตาของเราหรือการเกี่ยวข้องกับมันทุ่เนความติดตามตื้อเราช้อกเตมเกี่ยวข้งอขงใ้ถูกก็กาเป็นสิน่งดีมันดีดหลายอย่างใ น, นทำให้เรามีความอดทนมากขึ้น กทำให้เราลุกตากเปลี่ยนชีวิตของเราถัาเป็นตัวแทนที่ถูกต้องมากขึ้นหรือว่าเมื่องที่จะยกจุดให้อยู่เหนือความกดความกดนั้นและเราไม่มีเพียมืมมองของหลาด้วยหรที่การบางใจของเราอือ เด็นคนนี้วัยแคทสิบสี่จะเป็นมะรงสมองอมาอก็ตอนนั้นก็เป็นช่วงที่พาอาสาสนัครไปเยี่ยมผู้ป่วยเรือสุดท้ายเมื่ออาสาสมัครไปรเยี่ ย, เ ย, ย ม, าามรรเยยดคนนี้ที่เป็นมะรงสมองอาสาสมก็ตปอกอจมากเลย คือแบบเขาไม่ i ู้แต่มนตาตาใสโดยตาภาใสดีมากไม่เคยทูาคนสวยตันที่จะขึ้นโดนสายามาก็สวผมเรื่องหมดสามคนข้าเร่วนชวนอาสาสมัครร่ายรูปแต่ไ่าช่้่าลรูกคือไปดูมาใจก็ ก็แบาคนเดกคนนี้ก็บอกว่าโชคดีนะอ่ที่ไม่รดเป็นมะเร็งมะเร็งเพราะว่าย่ามีคนจนกปวดมากก็บอกว่าโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองอืมถ้าขนาดฟังก็ตื้นไปเลยนะเพราว่าตัวเองเนี่ยก็มีความทุกแล้วมีความสมขามาเติมทุกข์มากเลย แต่ว่าการทาเตอไมได้เนเรทุกเรื่องนะเรทุกเรื่องอครอบครัวก็บอกว่าจะไปแต่แะแก่ไปตอนไหน ใ, ในคืนก่อนหน้าที่จะไปเยี่ยมนะครับจะเยี่อมคนเตัอได้จว่าเราคว่าสุดท้ายเมือแต่พาเย่ยกับคนนี้นี่แก่คิดเลยนว่าโอ้ตัวเองแก่มาล็กน้อยม เลือกมากกว่า่คนนี้แต่คนนี้เขาเ็นเย็นเพเมีมมมงเลือกแน่นอตัวเเพราะว่าเตัวาเนี่ก็เป็นแเรื่องานเรื่องการเรื่องคบครัวทมันาแต่ความตายเยอะแต่็นนี้เ้าไดาดตายแล้วเขาจไม่คิดเรื่องใหาอันนี้ก็เป็นที่เกียเองของสองสามคนซึ่งเหตุการณ์หนักบ้าต่างกัน ใจความรู้สึกคนที่โตจะอดทานตาใจรู้สึกยากบางครั้งแบบคนที้โตเหมืกันนะแต่ใจรู้สึกเบ า, วา ก, า ก, ว, ากา ว, ว่าอามันจะเพื่องใจเขาทค่เลงมันจะต้การวางใจอุปกรณ์อยู่ทีบนมองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นก็มีบบอุกวาสิบสอง น, นั่นกันคนน็นเหมือนี่ยแคาก็ ก็เปิดใจค่อยกันเป็นมะเร็งแต่ช่วงที่เขาป่วยที่โรงพยาบาลเนี่ย<ม>เขาก็บอกกับพ่ม่ว่าเนี่ี่เป็นช่วงที่เขามีความชุกที่สุดทำไมถึงมีความชุกต่อเนื่องคือก็วลาป็นช่วงี่เขาได้ป่วยกับพ่อแม่มากแล้ต่องมี่อาพอแม่ก็นม่กคยมีเวลาก็หาัสบายกันแต่พอเขาป่วยพ่ อ, พ อ, อนม่ก็าง มาดูแลเขาเขาก็มีความสุขคือเราจะได้บินได้ฟังเรื่องของคนที่เขาบอกว่าเขาช่วยดูที่เป็นมะเร็งเขาช่ยดูที่เขาเอ่อเนเ อ, อ้วอนนี้ไม่ใช่เพาะว่าสุขภาชนะที่เกิดขึ้นขึ้นในขเขานี่ยมันเบาบาไม่ใช่มันหนักแต่ว่าเขารู้ตักการอยามใจ มาที่จะเห็นข้อดีจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาจากเรืพร่เกิดที่เกิดขึ้นกับเขา mm. อนนี้เป็นการมองแบบผูู้ชนคือมองในแง่บวกซึ่งก็มีประโยชน์ในการช่วยๆทำให้เรารับมือกับความทุกดขด์ สิ่งที่เราไม่เต็เนใจไม่ได้และรม่ต้องมองสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราในวันกี้นันก็คือการเลรือกที่จะอยู่กับความทุกข์โดยที่ความทุกข์นั้นทำอะไรกับเราไม่ได้ มันมาเรื่องเป็นความทุกข์เพรามันกำให้เกิดทุกขเวทนาตลอดทุกวทนาที่มันเป็นของแท ข, ของสริงก็ือทุทขเวทนาทั้งกายความร้อความหนาวความสดความเกืก สิ่งที่จกไปราตนามันำมทำให้เราเพขึ้นก็คืาใตงเาที่ยายามปฏิเสธสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วกับเราอะไรก็ตามทีเกิดขึ้นกับเราที่เราไม่ชอบตำไที่เรา ตั้งค่าปฏิเสธไม่ยอมรับพยายามตักสายมันวิมาทีมันเนี่ยตอนทุก ม, มันก็เพิ่มเติมอาจจะเป็นคารคูเว่าติดิดตั้งคาปฏิเสธติกพายตักสายเนี่ยตอนทีติกจตัดสายเนี่ยมันก็ทุกแล้วกขเพราะไม่าอมรับ ทุต้อกลน่าจะตากำที่เกิดขึ้นกับตัวทาไมต้องส่งชั้นฉันไม่รับความส่งชั้ น, ล น, นเลยทำไมฉันต้องมาตแบบนี้ให้ติดที่มันโบมติดที่มันกลมนิดที่มันเกิด ม, ม, ม, มันเกลอกนอ น, สสนี่หยุดหยุดนีมเม่ตั้เติมความรู้สึกเร่องมากซึ่งรสสมนิสสาวดีมาเ็นระมัด รถปุบ เ, เรื่องค่รถตร็จนี่มันไม่มันก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่พอเราไปไปหนุดหมุดเนีลำคลางกับมันหรือคอยรถรถเมื่มาคอเครื่องเครื่องมนนื่มาตันที่เราจะยามรับด้วยัจที่ตรงต่างเ้วก็นมุดหมุดกรสับภาษสายเพียงเพกระดิ่งไม่ยอมาถึงไหน เป่นมือนก็ะถางอะไรทุกนาขึนแต่ถ้าเราอยอมรับมันตามที่เป็นจริงว่าเออยังไม่มาก็ก็ไม่มาก็คอยกันไปลดติดลดไปยในในในังไม่บปแดงมันไม่เปล่งไปเฉยก็เออก็รู้ว่ามันมันไม่มาก็คอยมนเฉยๆอยอมรับมันตามที่เป็นจริงเราจทพบว่ามัน สุดปลายปลยอย่างตะวันตเราตปี่ยนจแล้วไม่เปยนมีปฏิปาอย่างเล่าอูการเปลปฏิสเสธ่านผับสยายก็ยอมรับและ่านที่ที่เราพยายามติด่ทำเนื่อทำนู่นเือที่จ ะ, จะักสายมั น, แ ล, ม น, นแล้วม่สำเร็จเราก็ยิ่งทุกข์กข์ยิง คือเวลาเราเก็บระเบียนี่บางทีเราต้องเรียนรู้ก็คือการยอมรับมันโดยเฉพาะในขณะที่บางงานในปฏการบาบัดรักษายัางไม่เห็นผลคือการยอนนับเรืวองไม่ยอมขอรอดก็ไม่ทำอะไรเลย เก็ต้องจะรับความจว่าแล้วที่เ า, เาทํามาแล้วก็การเพื่อรักษาเยียวยายแต่มันไม่สเห็ุสมลลความเจ็บความปวดที่ตะเวะนาก็ยังมเกิดขึ้นกั บ, นกบเอยู่เราต้องเียนรู้ตอยู่กับมันให้ได้โดยไม่ผักสโดยไม่พยายามปฏิเสธหรือว่าเพื่อักส่งนหรือเพื่อุกขเวนาน เพราะว่าภาษาในเท่าไหร่มันก็ไม่ไปหรอกเพราะจิปัจจัยยางไม่ยังไม่ทา ง, งานหรื อ, อยังไม่เห็นผลตามที่เราต้องการนี่พอเรายอมรับมันแล้วจิงที่เราต้องเรืเร่องของการมีสเตจอยู่กับจริงนั้น ก็คือว่าใจร้ใรับรู้ทุกเหตุนารนั้นโดยที่ไม่พับไม่หลงไม่เผลอเขาไปในทุกเหตุกานนั้นโดยที่ไม่ใส่ใจิรื่ยการตักใสเยื่อปฏิเสธทุกเหตุกานนั้น เามาเปล่าที่ใจับเข้าไปยึดเข้าไปติดโดยไม่มีตัวที่จไม่แล้ว่าทุกรื่นาทีใจเริ่มปิดคามสร้าความโศความเสยในึ่งจกความท้อ้เฉืยเมื่อขึ้นแล้วนี่ก็พยายามปฏิสเสธเราพยายามที่จไม่ยอมับมัน มันกิดขึ้นกับเราแล้วเงินหายหายไปแต่เร็เพ่ไม่ยอมนะจนรอของเราเขาเขเพอ่ก็ราไปเราไม่ชอบเาไม่ยอมนะแต่ใจก็ไม่ตะกุ่ยไม่ขี้ขนลุกถึงสิ่งน้นอยู่ด้วยกัเงินหายแต่เพิ่มเดือดถึงเดือดตัวไหนของตัวไหน เัืกิดการลงเรื่องรวที่หนึ่งข้ากันแล้วก็กาัดสายไอคอนนักจิตการเท่าความเกิดความเสียจแต่ว่าใจมันก็จะเพิ่มให้เกิดความรู้สดังนั้นมากขึ้นเมืนเกิดจิตในึกเอาถึงทำหนึ่งอยู่หลายแบบยื่นตัดสายตัดสายยื่นข้าหาอันนั้าเร่มมักิดตัดกยืนตัดสายตัใจตัดื่นข้อใส่เกิดกำบับทั้งน มันคมันก็โลภความ้มันก็โลภไม่มีสติแต่ว่ามีสติอยู่สติรู้ในเวทนาใมันก็ไม่เข้าไปเป็นอยู่ในตัวเวทนานั้นมีสตินี้การเศ้ากวามโศกความเสีกันก็ไม่เข้าไปในควาเศ้าคามโศกแล้วก็ไม่เข้าไปเป็นไม่เข้าไปลดกรือเรื่องที่มันเกิดขึ้ แต่ถ้เราไม่มีสติสราก็ลเลยเผลอพลัดพลันสิ่งที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยเราอาจจะวางใจใส่มันด้งง่ายถงามันหายไปอาจจะวางใจใส่วังดึงง่ายแต่บางครั้เราสงสัยไอ้พวกตัวเราจะมีเกิดขึ้นแต่เราซึ้งๆนี มันเป็นปบานเะรมันไม่ใช่ดุจของหาปูเปแล้วตที่เข า, าตัดตะปาก็กลายเดุจแล้วสนกาปนุสแล้วแต่นนที่เราพูดในนี้มันเป็นของจริงของหายเกิดขึ้นบบเป็นตรง น, นี้มันจะเลื่อ ง, ง่ายๆคือตะไบยางแต่่มมีะยู ไม่คือตัเอขึ้นกรายก็วเือตัวนี้มันก็คืมันไม่รหบไม่ค่าเติมไม่ก็เต็มทุกเกิดเหมการเกแต่ไม่ค่เป็นทุกเกด่งนี้เนยมันต้องอาศาาัยการศึกย่เดยใจ พนชุดประจำวันของเราไม่ใชเพรว่าในการปฏิบัติในรูปแ า, น า, ปาบนั้นแต่ว่าเดอนทังทางในชุดประวันซึ่งมันสะท้อนภาพสิ่งต่างๆมากมายทีไม่พอใจที่ไม่ไม่ไม่ถูกใจเราเดินทังสิ่งที่มันกลายเป็นทุก์โศกโาใจเอาอากาศวมาตนะัดน้ำ กาด็การเการยังหตุรำคาอาสิ่งหวานนี้อุปกรในการติดให้มีสติเปู้หต่ใติคอบงาสมองใช่กไ่รู้ย้อนไว่าลเตมสติมันานี ก็จเมเราก็ตดได้นะจากการเราเริ่มตดได้ า, ากการเป็นสติการสาธิตัวนาน า, ามม้สึกลึกๆทางที่เกิดขึ้นกับใจการ ม, มทั้งเบลและเลอราแงความสิ่ที่เป็นเบกเกิดขึ้นเราก็จะอดขอเกลื่อนมน บางทีก็ปนรถเก๋เราไปพายามปักใ่ไม่ควรจะิรยาที่เราทำเป็นอาชีพเกษตรนีปแล้วมันก็เปสดงากเวลาลิตีเวลาเรานสติบสมา่วไแลยาเป็นะบวนมามมลำพังใจต่ที่ราพยายาักส แล้วไม่เลยรูย้ที่จหยุดไม่รู้รที่เป็นมันกาที่เป็นคุณครือยานรัดนั้นไม่ตัเสายแล้วก็ไม่ก่อคลองเขาไปยึดหรือไม่ใสหาแ้่เห็นมันปุ่อแล้วก็วาน เลืแล้วก็วางเนี่ยอันนี้มันเป็นทางสายกลางไปไม่ต้องไปขัดส า, สาแล้วก็ไม่ต้องไปคอยเกี่ยวทุกครองเราหยุดตามหยุดได้หยุดตามบรรคลางใจได้หยืดตามตามความเครียดได้ความขุ่นเคืองได้ โดยที่มันทำเราเราไม่ได้เพราะเรมีปฏิปุ้ดเยอะเป็นคร่งใจก็เยอะเด็เด็ดเดดก็เยอะนุ่มเยอะแรงก็เยอนาก็เยอะเล้อยๆเลื้อยอะไรเยอะเลื้อยๆเลื้ออย่างเดยอยเต๋อเต๋อย่างเดียนนแหละแล้ เพื่อทำให้เรามีเครื่องรักษาใจไม่พลาไปในอารมณ์ต่างๆไม่เบทกรือลดลเมื่อเรามีสติมนเป็นมีสติเป็นเครื่องดูเพื่อดูวความรู้ตัวอันนี้เราเพอทำให้เราสามารถจะอยู่กับทุกขเวทนาดูวาความจัดเก็บได้ แดยท่เราาไม่เป็นผู้เจ็บปวดเสียเองเพราะการเจ็บปวดไม่ใช่เราแต่ถ้าเราไม่เฉยเราก็ไม่จะเปล้วยนแาลมันเป็นมาเป็นของเราดูเสมอไม่ใช่กายที่ปวดแต่ว่าฉันก็ปวดด้วยไม่ใช่ไม่ใช่กายที่ร้อนแต่ว่าฉันก็ร้อนด้วยไม่ใช่กาที่หนาวฉันก็หนาวด้วย เปนมีชันเนี่ยเป็นผู้เป็นผู้เป็นตัของความทุกข์ความทุกก็เกิดขึ้นอยู่ทุกๆชั้นเนี่ยมันไม่เป็นอะไรหรอกแต่พอเป็นตึกนั่นเองเป็นฐันมันเป็นตัวฐันทุ่เกิมันเป็นาทีา่ทุกข์น เ, น เ, นกเนี่ยมันก็ก็เลยเป็นเรื่องขึ้ น, นมาในการดูสติไ ม, ม, ม, ม่หนนช่วยทหลาไมาเ่เต ดนแบบคุอป เ, ปเ อ, อสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมาเนธรรมชาติมากาลายเป็นเาเปนของเรามันมีมนแต่ค ว, ความเกิยดแตม่มีผู้เกลดมันมีตรความจ็แต่่ผู้เจดอนี้เกิดขึ้นได้มีความร้อนแต่ไม่มีผู้ร้อนมีความหนาแต่ไม่มีผู้หนาวันคือไมคือนการวางใจเวลา เตามที่ไม่พงปรารถนาเกิดขึ้นเราพรจ้ารามาเป็สัญญามันก็ห ม, มือกับตัดในขงเดียไม่ได้พระเจ้าเรามปิเออามาเปิดเรื่องมือด้ยวยมันก็เด็นีาคาแต่พระเาเราไปเป็นเลื่อนมือไปยึด ถ้าดูโมเดลสายสายใจว่ามันก็ขัาไปดกเบอไม่รู้ตัวเลยดกเวลาการเนี่ยเขาจะตัดนกนี่หรือปัดสายตาเนี่พติกรรมเขาไม่ได้เอาเหยื่อมาเล่าหมือนกัจาจับปลาไม่่เหยว่อ้าเล่าการม่ใช่กินเหยื่อกินสาเดือกก็เป็นก็เป็นนักเหยื่อก็โดนเด็ดแทนน่นเป็นพฤติการตัดกลา ต่วิธีการจับไก่ป่า ก, กปาก่กปาทีา่เมื่อชนี้นเขาเอาก็ เ, าเอาสิ่งที่ไก่และปา่าและต้นไม้ไม่ชอบมามามาล่อเขาคือเอานกออาไก่จากที่อย่นี่แหละมาเพื่อล่าให้มันเข้ามาตัดดับไก่ปาเั้าของบ้านมันหงสิงมี มีใจใสมากเข้ามามันก็พยายาเข้าไปไล่เข้าไปเข้าไปตีเพื่อจะให้ออกไปจากทิ่งของมันแต่นั่นแหละก็คือสาเหตุที่ทำให้มันตกจับด่างเพาะว่าตอนนี้เขาไปไล่ไก่มันก็ลัเข้าไในดวงทื่ฟางเขา่อเอาไว้ ที่นี่จหามายถงตัวมาด้วยานี่มันก็พยายนมล่อให้วก็ไปจมอยู่ในความอยู่ความทุกข์ม่ีทางที่จะออกมาออกมออกมาเป็นอิสระจากจากความทุกข์ได้ได้สิ่งที่มันล่อมันล่อตัวคือศัตรูหรือสิ่งที่ เราเชือมวคือรูแล้วเราก็ยาามไปผักสายมันแตยิ่งการผักสายมันเท่าไหร่เราก็ยิ่งติดกับัของมันก็จิดอยู่ในความคุดอันนี้จะเพื่เดืยดก็คงไม่ได้จะต้องควรเอาความอยากเหนืยใจที่ต้องการไผักสายโดยที่ไม่รู้าทางวางความเป็นจริงแต่ถ้าเามีศตรแล้ก็มีปัญญานะ เวลาเราเตะขึ้นกับเราเราจะเล้ยวอันนี้นะมันคือเลีล้วแลาไม่หลงเข้าไปติดกัของมันก็คือาวางใจเป็นกลางเราไม่ไที่จะไปงัดเดืที่างขาก็รไว้หรือไม่ เมื่อที่จะประกอบผักใส่เพื่อจะไปติดกับักของกลาที่เขาวางกับักอาไว้อันนี้เราก็ทาไม่ได้สามารถที่จะรักษาหรืรักษาใจให้เป็นอิสระได้ไมได้แบบนี้ความทุกข์ทําทำอะไรแล้วไม่ได้พราวาช้ามันเป็นขันคงกับเวลาเราขอเพื่อนี้ ไม่ใช่ไม่ใช่